a ม a l a i k u m w a r a h m a t u ขอต้อนรับสู่รายการสวรรค์ในบ้านกุรานกรักผมชื่อเด็กชายซอฟวานอุมาอยู่ช้นอเียมศึกษาปีที่หนึ่งและพบกับวิทยากรอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุข بإذا كانوا معه على أمر يامع، لا يزهبو حتى ي س ت ذ ي ن و إن الذين ي س ت ذ ي ن و ن ك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استذنوك لبعد شأنهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم เอาอานอีกหนึ่งเที่ยวนะ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون อินนั้ล ن ََْ่้ยอัต ئ ِนَ ا ักّ ذ ِ ي อَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فإذا َِอัِดินุคَิบางด ل ِะนิหิِ ئ ْ ت َ م ِ ن ิมُ م ْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ ا ل ل َّ ه า E อินนัลลอฮะอะฟูรุราะฮิม a l h a m d u l ล l l a h ยางนี้เขาเรียกว่าฮัด ล, ละก็ออะไรนะฮัแ ล, ละก้ออ่านอ่านถูกอ่านผิดก็บอกกันแล้วก็เตือนกันเจ้ไหมไอการเตือนกันเนี่ยเป็นงานศาสนานะใครทำผิด ก็ให้เตือนกันใช่มไหมหการเตือนกันนั่นเขาเรียกว่าเป็นงานศาสนาเราต้องดีใจนะมาดูกุลาเนี่ยอายาเดียวจากสุร อ, อนูดนูดแปลว่าอะไรนะรัศมีรัศมีตรงนี้หมายความอย่างเงี้คนที่เข้าใจหรือคนที่รับนับถืออิสลามสแสดงว่าในหัวใจของเขามีรัศมี รัศมีเนี่ยรู้ว่าใครเป็นเจ้าของอใครเป็นเจ้าของรัศมีอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของรัศมีฉะนั้นในสุรนูดเนี่ยพูดถึงรัศมีของอัลลอฮ์กันหมดเลยบนชานฟ้าทั้งหมดรัศมีของอัลลอฮ์แผ่นดินเนี่ยมีรัศมีของอัลลอฮ์ฉะนั้นใครที่มีรัศมีของอัลลอฮ์ในหัวใจคนนั้นจะรับดับถืออัลลอฮ์รัศมีของอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่มีวันดับ มีแต่จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้น ส, งนสังเกตุโยเซี่ยดวงอาทิตย์น่ะมีมากี่แสนปีกี่ล้านปีแล้วมันต้านจะต้องมอดลงมอดลงใช่หรือไม่ใช่ตะเกียงเนี่ยตะเกียงเมื่อก่อนเชเคยเชชาตะเกียงใช่ปะตะเกียงที่บ้านน่ะมันต้องต้องเติมน้ำมันใช่รือไหมนะเดี๋ยวก็ ดับแลน้ํามันหมดไส่ก็จะพังแล้วบางทีมันทาําลายไส้ตัวเองก็มีแต่แตะเกียงของอัลลอฮ์เนี่ยอิสลามเป็นาศาสนาเป็นตะเกียงหนึ่งของอัลลอฮ์ใช้น้ํามันอะไรจึงได้สว่างขึ้นสว่างขึ้นแคนที่มันจะดับลงน้อยลงกับเปล่าใช้น้ํามันอะไรรู้ไหมน้ามันมะกอกจะต้องศาสนาท่า น, า น, นใครที่ มีมีรัศมีขึ้นในหัวใจอัลลอฮ์จะเปิดใจคนนั้นให้รับนับถืออัลอิสลามครับว<ะ>่าสง่า ง, งามทีนี้ในสุรนูนนะเราอ่านอายะที่62พูดเรื่องมารยาทมุสลิมกับมารยาทเป็นของคู่กันที่นั้นคนที่อ่านกุรานต้องมีมารยาทงามเพราะกุรา น, นสอนให้เรามีมารยาทที่งดงามการมีมารยาทที่งดงามเนี่ย เป็นคำสั่งของ Allah, อ, อัลลอ์ ه ะุสุลตาอัลาอายาที่62ดูดูความดูความหมายนะมันมีอยู่หลายประเด็นแต่ประเด็นที่สำคัญประเด็นแรกนะอินนามุมินูนละดีน่าอามนูบิลลาฮิวรัสูลิคนพิเศษก็คือคนอย่างนี้คนที่อีมานคนที่บิลีฟคนที่มีหัวใจที่เฟสที่มั่นคง อีมานต่ออัลลอฮ์และรอซูลของอัลลอฮ์นี่เป็นคนพิเศษเลยนะฉะนั้นบนโลกบนโลกดุนยาใบนี้คนที่เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์นะเป็นคนพิเศษสังเกตได้คนนั้นเป็นคนที่มีหัวใจมีระซมีหัวใจของเขาผูกพันกับอัลลอฮ์เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และภาษาศรัทธาต่อหลัก6ประการ ข้อพักการอะไรบ้างอามัตฑบิลละวามลาอิกาติฮิวกุตุบิฮิวรุสูลิฮิวลายามิลอาครุบิลกัดลิขายริฮิวชาลิสัตหะต่ออัลลอฮฺสัตหาต่อคัมภีร์สัตต่อรัสูลสัตต่อบรรดามาลาอิกะสัตต่อวันกิยามะและสัตหะวตายแล้วต้องฟืน้นฟื้นขึ้นมามารับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮนั่นเขาเรียกว่าคนที่มี إ ي م านที่แท้จริง คนมีอิมานที่แท้จริงเนี่ยเขาเรียกเป็นคนพิเศษและอิมานต่อรอซูลคำว่ารอซูลที่นี้หมายถึงสุนนะของท่านนาบีต้องเรียนให้รู้ว่าสุนนะนบีมีเท่าไหร่ศึกษาหาความรู้ฉ่านนั้นคนพิเศษก็คือคนที่เชื่ออัลลอฮ์และปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮิวะสัลลัมเป็นคนพิเศษนะแต่นี้คนคนค น, คนพิเศษอายาอายานี้มีอยู่หลายประเด็นประเด็นที่สอง ว่า إذا كانوا معه على أمر jamain ว่า إذا كانوا <c oughs> เมื่อพวกเขานี่นะคือเมื่อบรรดาซอบ์ของท่านนบีนี่ที่พูดตรงนี้เนะี่ยอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาให้กับนบีเราคนที่อยู่รอบนบีเขาเรียกบรรดาใครนะบรรดาซอบ์ของท่านนบีนี่อัลลอฮ์สั่งนะ เมื่ออยู่รวมกับท่านนบีเมื่อบรรดาซอบาของท่านนบีเนี่ยอยู่รวมกับท่านนบีอาลาอัมรินในกิจการหนึ่งกิจการอะไรก็ตามเป็นงานศาสนาทั้งหมดเพราะอัลลอฮ์ส่งแต่งตั้งนบีมาเนี่ยมาทํางานศาสนาอย่างเดียวกางานที่ท่านนบีทําเป็นงานศาสนาทั้งหมดอัลลอฮ์เลยสั่งนะบรรดาซอบาของท่านนบี ที่นั่งอยู่กับท่านนาบีประชุมกับท่านนาบีในงานหนึ่งงานใดก็ตามเช่นนมาฎวันศุกร์นงานศาสนาใช่ทีระเจ้าอีนมาฎอีดงานศาสนาใช่ไหมแล้วก็วันอะไรบ้างจีฮาดฟีซบิลลิลออกไปตอดไปปกป้องศาสนานี่งานจีฮาดหมดเลยและอีกเรื่องหนึ่งก็คื อ, อในห้องประชุมหรือในวันอีดนมาฎวันศุกร์ในงานศาสนา ยามุลาีิงานศาสนาแนวนมาต์อีกนะแล้วก็สามฟิลจิฮาดในการปกป้องศาสนาฟิลมูชาบลในการในห้องประชุมต่างๆหรือว่านาบีพูดต่อหน้าชุมชนเ็าเรียกว่า public speech public speaking ยืนพูดต่อหน้าประชาชนคนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนั่นเป็นงานศาสนาอัลลอฮ์สั่งซอบ้านนาบีบอกว่าเมื่อนั่งรวมกับท่านนาบีและอยาหนีออกจากที่ประชุม พวกเธอเคยนี้จากที่ประชุมเคยไหมเคยหรือไม่เคยถ้าเคยน่ะดีมันจะตบบ้าตัวถูกถ้าไม่เคยเลยมันก็ไม่ดีใช่ไหมแต่นั้นเวลานั่งอยู่กับบรรดานาบีนบีเนี่ยอัลลอฮฺอัลลอฮฺสั่งสอนว่าวันนี้นาบีไม่มีเรานั่งอยู่กับอาจารย์ฉะแคนั้นอย่าหลบจะออกไปไหนมันกำลังอาจารย์กําลังสอนตัฟซีนอยู่กําลังสอนวิชาฮะดีสอยู่ พวกแควบออกไปหรือก็นั่งหรือนั่งหลับเนี่ยตำแหน่งหมดเลยนะท่านยานั่นงตั้งตองตั้ง อ, อกตั้งใจฟังคุณบาก็ไม่กันต้องจังใจฟังว่าเขาพูดอะไรไม่ใช่ฉันหนหลับแล้วไม่ใช่ใช่ไหมนั่งหลับก็เหมือนกันหนีออกจากที่ประชุมอัลลอฮฺสากียันหนีอาลาอัมริเมื่อนั่งอยู่กับท่านอบีเพราะว่ามันเคยหนีกันมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนักหมาบนสูกอยู่มีกองคาราวานมา เหลือส2องคนนะหมายกันเป็นร้อยหลีกันหมดเลยไปไปรวมใลยนะรวมกองคารวาลเหลือนะบีกัสราบากกี่คนิบคนนันพะีอ่านอ่านอ่า น, านคุรบะ จ, จบนะัาหมายแค่12คนอีกร้อยกว่าคนอยู่ข้างนอกหมดเลยอะ่ะว่าประทานครอานลงมาอยา่าออกจากมัสยิดเด็ดขาถึงจะมีงานยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามงานศาสนาสำคัญกว่างานดุญย์ ฉะนั้นเมื่อนั่งประชุมกับท่านนบีเช่นนมาฎวันสุขในวันนมาฎอิดออกต่ออะรนะัปกป้องาศาสนาหรือในห้องประชุมใหญ่ๆที่ไหนก็ตามอย่าหนีออกจากที่ประชุมนี่เป็นความรู้เป็นหลักการเป็นมารยาทของอิสลามนะหในบลัมยาฮบูห้ามออกจะไม่ออกไปไหนฮัตตยัสตาดินูจนกว่าจะได้ขออนุญาตท่านนบีเสียก่อน ไปได้ไหมได้แต่ต้องขออนุญาตก่อนต้องขออนุญาตก่อนเดี๋ยวนี้พี่น้องชาวพุทธอาไปใช้โมเล่ในสภาอาไปใช้ใช่ไหมล้วประชุมประชุมกันจะออกจะยืนขึ้นขอหัวนิดหนึ่งนั่นเป็นการขออนุญาตน บ, บีนะอัลลอฮ์สั่งนะซอ บ, บ้านน บ, บีทุกคนห้ามออกจากที่ประชุมถ้าจะออกต้องขออนุญาตก่อนอันลลอฮ์สั่งไปเรื่องที่สาม อินนัลลาฮีน่ยสตาดีนูนักมาดูสิคนที่ขออนุญาตจะออกไปจากที่ประชุมนยะอัลลอฮ์ยกย่อ ง, งให้เป็นคนประเภทไหนแท้จริงผู้ที่ขออนุญาตกับท่านนาบีก่อนที่จะออกจากที่ประชุมไปต้องขออนุญาตก่อนคนที่ไม่ขอมีไหมมีรู้ไหมใครคนที่ไม่ขอมูนาฟิกูน์มูนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ย เขานั่งอยู่ข้างหลังข้างหลังว่าแป๊บหน่อยก็ออกแล้วอย่าทําคนที่ทางเราจะคนมูนาฟิกแต่ที่คนที่ขออนุญาตเนี่ยกับท่านรอซู ล, ล อ, อ ก, ก่อนเนี่ยอูลลยิกัน ล, ลาดีนายูมินูนาบิลาฮิวรอซูลิเหล่านี้แหละพวกเขาเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์และรอซูล์อย่างแท้จริงเห็นไมเป็นคนพิเศษเห็นหนีือยง นี่อิสลามสอนมารยาทในห้องประชุมเวลานั่งประชุมกับท่านนาบีห้ามออกถ้าจําเป็นจะต้องออกไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมหรือออกไปเพราะปวดท้องออกไปเพราะมีแล้วก็ตั้งแต่ต้องขออนุญาตจากใครนะจากท่านนาบีก่อนวันนี้เราอยู่ในห้องประชุมก็ต้องขออนุญาตจากท่านประธานเสียก่อนนี่เป็นมารยาทของใครของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็สั่งบอกมาต่อมาครับ อัลลอฮ์สั่งต่อไปอีกไฟดัสตะจานูนากะลีบะดิชาณิหิมฟะจันลิมันซิตามินหุมเมื่อบรรดาคนที่นั่งประชุมอยู่ในยุคนั่นคือบรรดาซอบ้านนบีเนี่ยได้ขออนุญาตจากท่านนบีเพื่อออกไปทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอัลลอฮ์สั่งฟะจันจงให้อนุญาต จงอนุญาตให้เขาออกไปลิมันชิตะมินหุม um คนที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเอาออกหรือไม่ออกอยู่ที่หน้าที่ของท่านนาบีอยู่ที่อาเม็ดอยู่ที่ผู้นำเขานำนำประชุมอยู่ถ้าจะขออนุญาตก่อนขอก่อนจะให้หรือไม่ให้เป็นหน้าที่ของท่านนบีจะให้หรือไม่ให้เป็นหน้าที่ของของอะนะของประธานในที่ประชุมนี่เป็นมารยาทกร้จานะ อิสลามเนี่ยสอนเรื่องมารยาตลออดีมากเลยอันต่อมา w a ั t a r u f i r l a h u อยู่ดีดีก็อธิบายเรื่องว่านาบีจงของอภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้แก่พวกเขาทําไมมาพูดเรื่องการขออภัยโทษให้แก่พวกเขาเป็นต้องกาจะอธิบายอย่างนี้การออกไปข้างนอกเนี่ย การประชุมอยู่ท่านนาบีเป็นงานศาสนาเนะีเวลาจะออกไปจะมีออกด้วยสอ ง, สองรายการหนึ่งออกไปเพราะเพราะมีความจําเป็นบางคนก็ออกไปเพราะความความความจําเป็นไม่มีเช่นเบื่อศาสนาจังเลยไม่อยากจะฟังศาสนาไอการออกไปถ้าออกไปเพื่อดุลยาขาดทุนถ้าออกไปเพื่องานอาคีราะ็อเขาได้กําไรฉะนั้นถ้าออกออกไปเป้าหมาย เพื่องานดุลยาอัลลอฮ์สั่งให้นบีขออุอาอภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยคอยกตัวอย่างอย่างในสมัยนบีเนี่ยนบีกําลังนมาอยู่ทํางานศาสนาวันศาสนามนสูงอยู่กองคารวาลมาออกกันไปเกือบหมดเหลือปรรดาสิบสอคนคนอย่างนี้เนี่ยต้องอัลนอบีต้องขออภัยโทษให้กับพวกเขาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้พวกเขาโดยเพราะพวกเขาไม่รู้แค่นั้นอัลลอฮ์สั่งนบีให้นบีเนี่ย ขออภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยวัสตาฟิลดลาหูมุลล์ให้ขอทําไมใส่ใส่ใส่อัลลอฮ์เนี่ยพอการขอวันนี้ขอจะต้อตะเกียวก็มีไม่ได้ขอจากอัลลอฮ์ตรงๆใช่หรือไม่ใช่ถึงถึงกับชาบว่าไงนะวัสตาฟิลดลาหูมุลล์ต้องใส่อัลลอฮ์มาจงขออภัยโทษจากใครจากอัลลอฮ์ถ้าไม่ใส่ไอคนที่ทําชีวิตก็พูดว่าก็ขอจาะต้อนตะเกียวก็ได้ ขอจากโต๊ะระยองก็ได้ขอจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ได้อัลลอ์เลยใส่คำว่าอัลลอฮ์ลงไปในอัลกุรอานเช่นออวัสตักฟิดละหุมุลลอเนี่ยแปลว่าจงขออภัยโทษต่ออัลลอ์ถ้าไม่ใส่อัลลอฮ์เนี่ยบางคนจะตีความไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆก็ได้มั้ยบอกไม่ใช่ถ้าจะขอต้องขอจากอัลลอฮ์องเดียววัสตักฟิดละหุมุลลอ อัลล์เป็นผู้ให้อภัยก็ดูกุณอ่านตอน ว, ว, วักวักวักสุดท้ายนะอินนัลลอฮะกอฟูรุนรอฮีอินน่าประวัแท้จริงอัลลอ์นั้นมีสิทัตสองข้อกอฟูรุนเป็นผู้ทรงอภัยอภัยที่ยังไม่พอนะรอฮีมุนผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาเสมอสิทัตสองข้อนี้แหละที่โลกอยู่ได้วันนี้ เราก็ต้องเอาอัครากนี่นะสีฝาดของอัลลอฮ์เนี่ยมาไว้ในตัวเราเมตตาคนเมตตาแมวได้ไหมได้เมตตาหมาได้ไหมได้เมตตาคนที่ไม่สบายคนเจ็บคนป่วยคนตาบอดเจอมามมดนั่งอยู่สลามันบ้างหรือเปล่ามีครูอยู่คนหนึ่งถือมามมดเนี่ยสนอนกุญอ่านเนี่ยมาโมตาบอดเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์นะให้ตาบอดถ้าตาไม่บอด อาจจะมปสอยพลานก็ได้อัลลอฮเมตตาตรงนึกขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มีคนตาบอดอยู่ในหมูบ้านต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มีเด็กกำพร้ า, านในหมูบ้านต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มีมัส j ิดในหมูบ้านต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มีพ่อแม่อยู่กับเราเพื่อจะทำความดีกับพ่อแม่ฉะนั้นอินอัลลอฮจะจริงอัลลอฮ์นั้ น, Allah, Allah, น, นว่อฟูรุนให้อภัยสําหรับคนที่ขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ อยู่ดีเอาล้อไม่ให้อภัยหรอกครับถ้าเราไม่ไม่อ้อนวอนเอาล้อในการการอ้อนวอนเอาล้อเนี่ยหนึ่งร้องไห้บ้างดีไหมดีแล้วก็ช่วงไหนที่ดีสุดอ้อนวอนเอาล้อช่วงกลางคืนเนี่ยแล้วก็ช่วงฝนตกเนี่ยช่วงอาเจียนกับบีคอมาเนี่ยอ้อนวอนเอาล้อไปเดินตะวักจังหวะว่านั่นก็อ้อนวอนเอาล้อแต่คนจนๆอย่างเราไปยังไงอก็อ้อนวอนที่บ้านได้ไหมได้เลือกเวลาสิ ตอนฝนตกตอนตีสามครึ่งใช่ไหมตอนไม่สบายอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ตอนอายุแก่ๆจะกล้าจะตายแล้วใครคำไหนให้อัสตาฟิรุลลอฮอัลฮัมดุลิลละซุบฮานัลอฮอย่างนี้เป็นต้นให้ติดต่อกับเราตลอดเวลาเพราะอัลลอมีสิ่ศัตดิสองข้อผู้ทรงให้อาภาัยกับคนที่ทำผิดกับอัลลอเป็นผู้ทรงเมตตาเสมอในวันอาคีรอ อันตัวอักษรบ้างนะ s u b h a n a l l a h u wa bihamdika ashadu a l a i l a h illa anta astaghfiruka wa atubu i l